บางทีรู้สึกว่าถ้าเราไล่ไล่รู้ไปเรื่อยครับมันจะมาสุดแถวแถวตรงตรงกลางหน้าอกอย่างเงี้ยครับอืแล้วก็ค่อยคอยหลงรอบต่อไปอย่างเงี้ยครับวนๆไปนี้เรื่อย อ, อะไรอยู่กลางหน้าอกนะมันเหมือนกับความรู้สึกครับบางทีเราไปหลงกับความคิดหรือว่าไปหลงทํางานทางใจไปเรื่อยครับเดี๋ยวเราไล่ไล่ไลไปเรื่อยมันก็มาสุดมาเหมือนกับว่ามันม า, มาสุดที่กลางหน้าอกใช่ความสุขความทุกข์กุศลอกุศลนั่นมันเกิดขึ้นกลางอกนั่นแหละ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 รู้สึกไหมมันนิ่งๆทื่อๆรู้สึกครับเพราะพยายามที่จะไม่ไม่ดิ้นรนนะครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่ดิ้นแบบนี้นะครับมันสุดตรงมาข้างซึมไม่ได้นะครับคขอบคุณครับใชเรีย่ยปล่อยให้ใจมันซึมไปอ c t i v e แวบเนี่ยๆเยอย่างนี้ไม่ได้อย่างเม่กี้หลงแวบไปนะเมื่อกี้นี้หลวงพ่อพูดเรื่องสมาธิอะค่ะก็เลยขออนุญาตแทรกนิดนึง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 คิดว่าเป็นของเราจริงจริงคิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นของเราจริงๆริงเได้โสดารู้เลยกายนี้ใจนี้เรายืมโลกมาใช้ยืมมาใช้แต่งกนะห่วงพอได้ผ้านาคารู้ะไยกายนี้ทุกล้วนรวนไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยมันยอมคืนให้โลกเข้าไปนั้นกายจะแตกดับสลายลงไปไม่เสียใจไม่เสียอกเสียใจเนี่ยก็แค่วางไปตามลำดับนะจนสุดท้ายเลยมันจะรวมเข้ามาที่จิตอันเดียว แล้วก็เห็นในจิตนี่เองก็เป็นตัวทุกข์เมื่อไหร่เห็นจิตเป็นตัวทุกข์แกมแจ้งจะวางแล้วพอวางจิตลงไปจะไม่หยิบฉวยอะไรขึ้นมาอีกในพระสูตรมีบอกว่าพระขันทั้งหเป็นภาระขันทั้งห้าเป็นภาระพระอริยเจ้าทั้งหลายวางภาระลงแล้วแล้วก็ไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกก็เลยพ้นจากความทุกข์เมื่อไหรใจระวางความยึดถือจิตได้นะเราจะพ้นจากความทุกข์ตอนนี้ยังไม่ต้องวางความยึดถือจิตนะ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 อย่างเราพุโทโธพุธโทโธเนี่ยให้เราคอยรู้ทันใจของเราไว้พุโทโธพุธโทโธใจแอบไปคิดรู้ทันเลยพุโทโธแล้วจิตใจสงบก็รู้จิตใจฟุ้งซ่านรู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์ก็คอยรู้ห า, หายใจก็เหมือนกันจิตแอบไปคิดก็รู้จิตไหลเข้าไปเพ่งนิ่ ง, งๆแช่ยอยู่กับลมหายใจก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้สงบก็รู้นะมีปีติมีสุขก็รู้รู้ไปเรื่อยๆรู้ทันจิตนะไม่ใช่รู้ลมหายใจนะเอารมหายใจเป็นแค่เป็นฐานเท่านั้น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 เคยมีคนไปหาครูบาอาจารย์ไปไม่ได้นัดกันนะไปหลายคนะไปเจอกันที่วัดท่านแล้วก็ไปบอกท่านนี่ฉันเรียนมาจากหลวงพ่อประโมทบอกไม่ต้องบอกหรอกรู้พวกที่เรียนอย่างนี้ใจมันสว่างใจมันตื่นใจมันสว่างใจมันสงบใจมันสะอาดขึ้นมารู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาไม่ได้ภาวนาแล้วเคลิมเคลิมหรือเครียดเครียดนะ